أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوا ن ا, على <ت ص في ق> ال الع الع أ إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي شرح ي صدري ويسر لأملي و ح ل ل أ ك ت م ن ل س ا ل ف ة و ك و ل ي ربي زدنا علمنا ا في أ م ر ز ق ا طيبا وعملا متقبلا اللهم ل ก ا ل ฮัม حتى ت ر ض ى ولقال ح م د إذا رديت ولقال ح م د بعد رضا ما ب ق د ل ق ل الله ع ا ل ى في كتاب الكريم بارعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن فعات الذكر ذي ذ ك ر ميخشى ويتجنبه ا ل أ ش ق ى الذي ي س ل نار القبر ثم لا يموت فيها ولا يحيا ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับในสุรตุดอายแหละผูล้ลอสุบฮานูวัตลานั้นได้เริ่มด้วย ก, ก, การสรุดีต่อบผู้ลอสุบฮ า, านูวัตลาโดยคำกล่าวที่ว่าซับบิฮิสมารอบบิกอัลอาแหละจงสรุดีจงแท้สองให้แก่นายของเจ้าผู้ทรงสูงสง่งเมื่อผู้ลอสุบฮานูวัตลานั้นคือผู้ที่สูงสง่งเราก็คือผู้ที่ต่ําต้อยพี่น้องครับอย่าได้รังเกียจคําว่าต่ําต้อย มันคือข้อที่จริงของมนุษย์จุดเริ่มต้นของเราก็มาจากจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ต่ำต้อยจริงๆจุดเริ่มต้นที่ม่ก่อนที่เราจะออกมาจากพ่อก็ออกมาจากที่ที่ต่ำต้อยอยู่ต่ำด้วยแล้วก็ต่ำต้อยด้วยแล้วก็เข้าไปที่ที่อยู่ของคุณแม่ก็เป็นที่ต่ำแล้วก็ต่ำต้อยแล้วออกมาก็ออกมาจากที่ต่ำแล้วเราก็คุกคีอยู่กับสถานที่ต่ำเราต้องนอนเราต้องคลานกว่าที่เราจะเดินได้ ดนความต่ําต้อยพี่น้องถ้าเรามองจริงๆมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ได้อะไรเลยหลังจากนั้นพระองค์รอดทำใหเรามองเห็นทําให้เราได้ยินทําให้เรามีดิสกี้ทาให้เรามีเสื้อผ้าใส่ทําให้เราอยู่สูงสุดเป็นผู้ปกครองของโลกดุนยานี่คือการให้เกียรติที่โพลัสสุภานุวัตรายได้ให้เกียรติแก่เราผู้ที่ต่ําต้อยยกย่องเราให้สูงส่ง เพราะนั้นเราอย่าได้ลืมว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ต่ำต้อยเพราะนั้นจงทำตัวให้เป็นผู้ที่มีความถ่อมตนพอไม่ว่าเราจะถ่อมตนแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงที่ว่าเราเป็นคนที่ต่ำต้อยเพราะนั้นมันช่างเป็นเรื่องที่น่าสมเพชกับการที่เรานั้นถูกสร้างมาเรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งถูกสร้าง เราอยู่อย่างต่ำต้อยแล้วเรามาทําตัวว่าเรานั้นแน่เรามาทําตัวว่าเรานั้นเหนือกว่าผู้อื่นเรามาทําตัวว่าเรานั้นดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเรามีทรัพย์สินเพราะเรามีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าคนอื่นหรือว่าเพราะเรามีความรู้มากกว่าคนอื่นหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ครับพี่น้องซรัพย์สินเราเปกาละอ่ะละโฟร์ร้อนั้นคือผู้ที่สูงส่งแล้วเราคือผู้ที่ต่ำต้อยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่แสดงถึงความต่ำต้อยของเราก็คือเราชอบสิ่งที่สกปรกพี่น้องวันนี้ถ้าเกิดผมพูดอะไรที่มันแทงใจ ไม่ถูกใจผมขออัปด้วยแต่ว่าความเป็นจริงพี่น้องเราชอบของที่โสกโปกคนเราชอบของที่ฮารอมมากกว่าของที่ฮาลานของฮารอมมันดูตื่นเต้นของฮารอมมันดูอรส์อร่อยแล้วชอบสิ่งที่สกโปกมากกว่าสิ่งที่สะอาดถ้าจะเลือกผู้ชายเป็นจํานวนไม่น้อยอยากมีความสุขแบบว่าทําซีนาไปเรื่อยๆมีภรรยาแบบเป็นรายอาทิตย์มีคู่นอนแบบเปลี่ยนวันไม่ซ้ําหน้าเขาไม่อยากจะเลือกที่ต้องมามี ผู้ครองเพียงแค่คนเดียวแล้วก็อยู่ไปตลอดชีวิตธรรมชาติเราชอบสิ่งที่สกปรกพอมาพูดถึงอาหารการกินครับจะเป็นเลือดจะเป็นสุกรจะเป็นสุราอะไรที่มันสกปรกอะไรที่ไม่ดีเราก็ชอบเหมือนกับอาหารถ้าเกิดจะให้ถามครับของที่มีน้ําตาลกัระเพาะมีน้ําตาลแล้วก็เลือกของที่มีน้ําตาลถึงแม้เราจะรู้ว่ามันมีโทษมากถ้าเกิดาบาริโภคมากเกินไปถ้ากินแค่พอขอบเขตอะไรห้ามอยู่ลยแล้วแต่เมื่อเกินขอบเขตมันก็เป็นโทษธรรมชาติเราชอบสิ่งสกปร ก, กมากกว่าถึงที่สะอาด พอเวลาพูดถึงความคิดพอคิดจะทำสิ่งที่ฮารานกับทำสิ่งที่ฮารอมหัวเราจะไปสิ่งที่ฮารอมก่อนธรรมชาติของเราเราอยากไปเที่ยวบางคนชอบไปเที่ยวผับเด็ซ้ำเป็นมุสลิมเด็ซ้ำบางคนครับขายเนื้อไข่ตัวปัจจุบันนี้ไม่มีพี่น้องเมื่อเลือกคนเรามากักจะเลือกสิ่งที่ต่ำต้อยเสมอ ถ้าเราดูภาพรวมพี่น้องจะเมื่อไรก็ตามที่ส่วนใหญ่คนจะเป็นต้องเลือกน่ะเขาจะมักจะเลือกอะไรก็ตามที่มันไม่ส่งผลดีกับเขาในอาชีพเรามันไม่ส่งผลดีกับเขาในโลกหน้าเขาเอาแค่ฉาบฉวยฉันอยากได้ตอนนี้ฉันอยากได้ฉันอยากทําตอนนี้ฉันอยากทําฉันอยากมีชีวิตอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานฉันก็จะอยู่จนปัจจุบันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยต่ำต้อยยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานซีกแต่เขาก็เชิดหน้าแล้วก็คิดว่าติงแน่กว่าคนอื่น บางคนก็ไปนินทาคนอื่นทั้งที่ตัวเองนั้นแย่กว่านี่คือความจริงเราถูกสร้างมาต่ำต้อยแล้วเราก็รักชอบที่จะใช้ชีวิตอย่างต่ำต้อยนอกจากผู้ที่ได้รับการนำทางจากผู้อัิสุทธิ์ประหารหัวตาละอิลามุสลีนนอกจากคนที่รักการละหมาดนอกจากคนที่ถึงเวลาปุ๊บเขามีความยำเกรงต่อเราเขากลัวเหคนเหล่านี้ครับ พวกล้อจะยกเขาให้สูงขึ้นถึงแม้เขาจะทำตัวต่ำแค่ไหนก็ตามพวกล้อจะยิ่งยกเขาให้สูงขึ้นเขามีเกียรติหน้าที่ออมล้อเขามีเกียรติหน้าที่มาลายกะเขามีเกียรติหน้าที่สิ่งถูกสร้างทั้งหมดต่อให้เขาไม่มีเกียรติต่อหน้ามนุษย์ต่อให้คนดูถูกต่อให้คนว่าร้ายเขาแต่เขานั้นมีเกียรติต่อทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนือจากมนุษย์และยินผลจากเียรตอินนาฟาอติสดิก ร, รอเมื่อมนุษย์เราต่ำต้อยเราก็ต้อง มีการเตือนสติเพราะาเราเนะี่ยลืมง่ายเราไม่รู้เนะี่ยเยอะแยะเราเนะี่ยหลงหลายครั้งที่เราหลงทั้งการหลงหลงผิดเป็นถูกบางทีก็หลงถูกเป็นผิดหรือการไม่รู้หรือการลืมไปเลยทั้งหมดนั้นรักษาได้ด้วยการเตือน ช่วยกันเตือนเราต้องช่วยกันพี่น้องพี่น้องต้องช่วยผมต้องช่วยเตือนผมผมก็ช่วยเตือนพี่น้องเราก็ต้องช่วยเหลือกันเราเตือนคนที่เรารักเราเตือนคู่ครองเราเตือนลูกหลานเราเตือนเพื่อนเราเตือนพี่น้องเราเตือนใครได้เราต้องพยายามเตือนด้วยความรักเพราะเราไม่อยากอ ย, กอยู่ในสภาพผู้ต่ำต้อยที่อัลลอฮ์รังเกียด เราอยากอยู่ในสถานะบ่าปพู้ต่ำต้อยที่พวกลอสูบานโรตานนั้นรักเฟรนเฟรดักเกียร์อินฟาติดิกรอข้อเท็จจริงที่พวกลอสบอกครับมนุษย์นั้นชอบสิ่งที่ต่ำต้อยอย่างที่ผมบอกชอบสิ่งที่สกบกเราชอบการเชิญชวนไปทําสิ่งที่ฮารอมมากกว่าการเชิญชวนไปทําสิ่งที่ฮารานเราชอบมากกว่าถ้ามีคนจะชวนเราไปดูหนังเราชอบมากกว่าที่เขาจะชวนเราไปละหมาดหรือเปล่า เราชอบที่จะไปกินเหล้ามากกว่าที่เราชอบที่จะไปกินของที่ร้านมากกว่าที่เราถือสิ่งอดหรือเปล่าเราชอบที่จะอดตาหลับขับตานอนเพื่อดูฟุตบอลมากกว่าที่จะอดตาหลับขับตานอนเพื่อจะมาหลักต่อยอดหรือเปล่าทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์เาว่าธรรมชาติเราชอบสิ่งที่โสโปรกมากกว่าสิ่งที่สะอาดเพราะฉะนั้นครับหนึ่งในสิ่งที่สตราดคือการตักเตือน เพราะการตักเตือนเหมือนการบอกว่ามามาทำความสะอาดจิตใจกันมาทำความสะอาดร่างกายกันมาทำความสะอาดวิญญาณกันจุดเริ่มต้นของการทำความสะอาดคือการเตือนเพราะฉะนั้นคนที่ชอบสิ่งสกปรกเสืมมแบบที่ว่าเขาไม่อยากจะออกจากความสปกปรกเขาจะรังเกียจการตักเตือนจริงอยู่พี่น้องธรรมชาติของมนิ์ไม่ค่อยชอบหลักการเตือน เราเป็นแบบนี้จริงๆเราทุกคนประมายถึงผมเป็นคนแรกเวลาเตือนมันเหมือนก็ว่าฉันผิดหรือฉันต่ําต้อยหรอือนี่ทำไมมอดูถูกฉันหรือเปล่ามาว่าฉันหรือเปล่าเราไม่ชอบการเตือนพี่น้องธรรมชาติมาเป็นยาขมแต่เมื่อเรารู้ว่าเพราะเราต่ําต้อยเพราะบางครั้งหรือว่าหลายครั้งเราโสดกระปรงเราจึงไม่ชอบสิ่งที่ดีเราก็ต้องปรับความคิดแล้วก็ต้องปรับใจว่าไม่ได้นะใจของฉัน เจ้าจะรังเกียจการเตือนไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้ารังเกียจความการเตือนเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่ว่ากล่าวในกรานว่าวายแต j จะนับบ uh ุฮัลอัชคอแต่แล้วระบบอกให้ครับฝ่ั่ักิจจนเตือนกันสิหากการเตือนนั้นเป็นประโยชน์ใส่ยักษ์ก็รุ้ไหมยักชาผู้ที่กลัวร้อนตั้งแต่ในดุนยาเนี่ยเขาจะคิดได้แต่ผู้ที่ชั่วชานั้นเขาจะตีตัว ออกทางพี่น้องอายะกรานี้ไม่ธรรมดานะพี่น้องมันไม่ใช่อายะที่เล่นๆนะพี่น้องวายาตาจันนบุฮะอัลกอพอลเราไม่บอกคนงูจะออกห่างพอลเราไม่ได้บอกว่าคนที่ยังไม่รู้จะออกห่างพอลเราไม่ได้บอกว่าคนที่เก่งแล้วจะออกห่างพอลเราไม่ได้บอกว่าผู้ศรัทธาจะออกห่างแต่พอลเราบอกว่าคนที่ชั่วหลายนั้นจะออกห่างจากการเตือนพอมีการเตือนผู้๊บเผนพอมีการเตือนผู้บอุดหนุพอมีการเตือนปุ้เบือนหน้าฉันไม่ชอบฉันไม่รับฟังอันนี้มันมาจากใครมาจากคน มาจากคนที่ต่ําต้อย ก, กว่าฉันเลยคือถ้ามาจากคนที่เหนือกว่าฉันฉันอาจจะฟังแต่อะไรเนะี่มาจากคู่ครองฉันมาจากลูกฉันมาจากเด็กมาจากใครก็ไม่รู้มาจากคนที่ฉันเกลียดฉันไม่ฟังเพราะว่าบอกคนที่ชั่วช้าที่เขาจะออกแห่งจากการตักเตือนแล้วเราเป็นคนนั้นหรือเปล่าล่ะอันนี้คือคําถามจะต้องถามตัวเอเวลามีการเตือนเวล า, าวลที่มียาขมเนื่อง น, น้อนอย่างที่เราย้ํากันเป็นประจำครับผู้ที่เตือนเนี่ยต้องเลือกรูปแบบที่ดีที่สุด เพราะเรารู้กันว่าการเตือนมันเป็นยาขมสําหรับคนฟังส่วนใหญ่มีส่วนน้อยมากมที่พระรัชย์หิริายาทำเนี่ยแล้วที่ว่าเขารักที่จะได้ฟังการเตือนที่เขายินดีว่าโอ้มีคนมาเตือนแล้วดีจังเลยเนี่ยฉันจะได้เปลี่ยนแปลงต่อให้มันมาจากปากของคนที่ฉันเกลียดแค่ไหนก็ตามมันเป็นคําเตือนเอัทำเลยละเอาแล้วลให้ทางน้ำฉันผ่านคนคนนี้ส่วนน้อยรักชอบเวลามีการเตือน เพราะนั้นครับคนที่ทําหน้าที่เตือนเราต้องรู้ว่าการเตือนเป็นยาขมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกรูปแบบการเตือนที่เหมาะสมทั้งบริบททั้งในเรื่องของคุณวุฒิในเรื่องของวัยวุฒิในเรื่องของสภาพที่เราอยู่ต้องเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือแบบอย่างจากท่านอบีุลมฮัมมัดสุลต่านของอาเลสซานด์ไม่ใช่ว่าฉันรู้ปุ๊บฉันต้องเป็นคนถูกแล้วคนที่ไม่รู้คนที่ทำอย่างอื่นมาต้องเป็นคนผิดอย่างเดียวไม่จําเป็นเอาลอดจะรักเขามากกว่าเราก็ได้ พวกเราอาจจะรักผู้ที่กำลังฟังอยู่มากกว่าผมคนที่กำลังพูดก็เป็นไปได้มันไม่จำเป็นว่าคนเตือนต้องประเสริฐกว่าคนที่ถูกเตือนไม่จำเป็นพี่น้องลบความคิดนี้ทิ้งไปจากหัวได้เลยคนเรามักจะเข้าใจว่าพอเตือนปุ๊บไปว่าคนเตือนเหนือกว่าคนถูกเตือนไม่จำเป็นไม่จาเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นเพราะตามต้อยเหมือนกันเลยช่วยเติมเต็มกันหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนชั่วกว่าเรา แต่เขาก็มีสิทธิ์จะเตือนเราเพราะเขาหวังทีให้เราเกิดสิ่งที่ดี <c oughs> เพราะนั้นอยากใหล้มล้าความคิดไปก่อนที่ว่าถ้ามีการเตือนแปลว่าคนเดือนประเสริฐกว่าคนที่ถูกเตือนไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แต่เพราะการเตือนเนะี่ยมันเป็นหน้าที่แล้วการเตือนเนี่ยที่ดูเหมือนมันเป็นยาขมเน่พี่น้องเวลาพี่น้องไม่สบายเนี่ยใครๆก็อยากได้ยาหวานๆยาที่อร็ดอร่อยแต่ยาส่วนใหญ่ที่มันจะได่ผลดีๆเนี่ย น้อยพี่น้องที่มันจะอร่อยนะ่ะมีไม่เยอะหรอกพี่น้องส่วนใหญ่มันยาขมทั้งนั้นแหละภาษิตไทยบอกว่าไงครับหวานเป็นลมขมเป็นยากินหวานเยอะมันก็ออกมาเป็นลมมันเป็นระบบเสียเกิดความแสียในร่างกายส่วนถ้าขมเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นยาเพราะฉะนั้นผู้เตือนต้องรู้ข้อเท็จจริงตรงนี้ส่วนผู้ที่รับฟังการตักเตือนต้องรู้ข้อเท็จจริงตัวนี้ว่าเราอยากเป็นเบาให้อลัลลอฮ์รักเพราะฉะนั้น เราพร้อมที่จะลืมเราต่ําต้อยเราไม่ดูเรื่องเราไม่รู้อิหนยเหน่อ ย, ยบางทีเราก็หลอกตัวเองยาวล้อขอให้มีคนมาเตือนฉันเวลาที่ฉันผิดพลาดยาวล้อขอให้มีคนมาบอกฉันในสิ่งที่ฉันไม่รู้ยาวล้อขอให้มีคนมาช่วยแก้ให้กับฉันเวลาที่ฉันทางพลาดอะไรไปนี่คือหัวใจของผู้ศรัทธาเพราะอะไรครับเพราะเราไม่อยากเป็นคนชั่วช้าที่อัลเลดีเยสดันนารุบารอเขาคือผู้ที่จะเข้าไปในไฟนลรกที่ เออไฟนรกที่ทรมานแสนสาหาัสคาว่ากุบบารอนพี่น้องมันใหญ่อ ม, มันใหญ่มากๆใหญ่แค่ไหนวุนาา่นวายลำพี่น้องรู้แต่ว่ามันใหญ่เกินกว่าที่เราจะอดทนเพราะลัทธิว่าวามาอสมามัสบารุมไม่มีใครหลักไม่มีชาวนรกคนไหนทนไฟนรกได้ทนไม่ได้แต่มันไม่ตายพวกเราปิดประตูตายมันทนไม่ได้ทนให้ตายไงมันก็ทนไม่ได้ มันไม่ใช่เหมือนกับอะไรที่ว่าอดทนอยู่แป๊บหนึ่งนะอดทนร้อนแป๊บหนึ่งนะทนเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันตัวนี้ที่ทนไม่ได้พี่น้องคือผมอธิบายไม่ได้ผมอธิบายไม่ถูกผมเองก็ไม่เข้าใจคําว่าทนไม่ได้น่ะมันแปลว่าอะไรเพราะข้อเกียรของเราคือเรารู้สึกว่าทนไม่ได้แค่ไหนก็ตามมันยังไม่ตายถูกไหมครับบางคนจะเดินหนักหๆฉันไม่ไหวแล้วบางทีเดินอีกแค่กิโลก็จะเดินได้แต่เขาแค่ไม่รู้ ไอ้คำว่าทนไม่ได้เมื่อมันมาจากพวกลอสซูบาร์ของตลา ม, มันคือท่อที่จริงว่าไม่มีใครทนไฟนรกได้แต่เขาจะต้องถูกบังคับให้อยู่ในนั้นช่วการปรวัศาสรเทศจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับเพราะไม่ชอบรับฟังการตักเตือนฉันจะฟังเฉพาะคนที่ฉันรักเทิดทูลให้เกียรติเท่านั้น คนที่ต่ำํำต้อยกว่าคนที่ใกล้ตัวฉันแค่ไหนก็ตามยิ่งใกล้ตัวฉันยิ่งไม่ฟังยิ่งคู่ครองฉันไม่ฟังเลยวายาตาจันนะบุฮัลอัชกอผู้ที่ออกห่างนั้นคือคนที่ชั่วร้ายพี่น้องคือคนที่ชั่วร้ายผมกลัวเหลือเกินว่าผมเป็นผมกลัวเหลือเกินว่าพี่น้องเป็นเราไม่อยากให้เราเป็นแล้วเราไม่อยากให้คนที่เรารักแล้วก็รักเรานั้นเป็น พี่วันนี้ให้กำลังใจมาครับแล้วก็คนนี้สาะสลามามาแ ล, ล้ววารีกุมสลุลอฮฺแะบาริกาตูเจซักุมุลลอฮฺเอยรอนครับผมว่าพี่น้องที่รักครับเมื่อพูดถึงเวลาที่มีการเตือนเนี่ยผู้ที่รับฟังเนี่ยจะแบ่งอยู่สี่แบบสี่แบบเวลามีการเตือนมีการเตือนสติเวลาที่มีการสอนสา่งเวลาที่มีการพูดถึงทางนําเนี่ยจะมีคนที่รับฟังเข้าใจทําได้ แล้วก็บอกต่ออันนี้คือประเสริฐที่สุดแล้วมีการเตือนปุ๊บรับฟังอัลฮัมบุดีแล้วแล้วก็เข้าใจด้วยอันนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกบางคนอาจจะรับฟังแต่ไม่เข้าใจเหมือนบางคนเวลาฟังปุ๊บเเรื่องนี้ยากจริงเลยฉันฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ฉันเปิดใจรับฟังยังดีพี่น้องแต่พอไม่เข้าใจปุ๊บมันก็จะทําไม่ถูกมันก็ส่งต่อคนอื่นได้อยู่ ยังส่งต่อคนอื่นได้อยู่เหมือนกับที่ท่านระเบียมหาสารธรรมบอกว่าช่างประเสริฐช่างดีเหลือเกินคนที่ว่ารับฟังจากฉันแล้วเขาส่งต่อตามนั้นเลยเพราะบางทีเขาอาจจะส่งต่อให้คนที่เข้าใจมากกว่าเขาหรือบางทีที่เขาส่งต่อเขาไม่เข้าใจแต่เขาส่งต่อสารตามนั้นเลยไม่มีการบิดเบือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการตีความเองเพราะฉะนั้นคนประเสริฐกลุ่มแรกรับฟังเข้าใจปฏิบัติตามส่งต่อคนประเสริฐถัดลงมา รับฟังอาจจะไม่เข้าใจเลยปฏิบัติยังไม่ถูกแต่สามารถส่งต่อได้ก็ถือวอ่ายังประสเสดอยู่คนต่อมาครับรับฟังเข้าใจปฏิบัติตามแต่ไม่ได้ส่งต่ออันนี้นี่เสียยเส่ยงอยู่เสี่ยงอยู่เพราะถึงเวลาปุ๊บโลกแน่คนที่เราไม่ไปเตอมเขาเขาอ้างได้เขายนมาให้เราได้ถ้าพูดภาษาไทยเขาใช้ก็ไว้โยนโยนสิ่งโสกโปกกับพี่น้อง โยนไปบอกในยาล้อเนี่ยเนี่ยมันเห็นมันไม่ยอมเตือนเราอาจจะโดนก็ได้เพราะนั้นกลุ่มที่สามเนี่ยอยู่ในสถานะที่ว่าไม่แน่นะไม่แน่คือตัวเองรอดและทำดีแล้วในเช้าวันแล้วแต่จะโดนอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปรู้อีกทีนึงไปรูอีกทีหนึ่ ง, น, น, งนี่คือรับฟังเข้าใจทำตามแต่ไม่ได้ส่งต่อในขณะที่บางคนครับรับฟังเข้าใจแต่ไม่ทำ อาจจะส่งต่อหรืออาจจะไม่ส่งต่อแย่ทั้งคู่คือถ้ารับฟังแล้วเข้าใจต้องทําต้องเริ่มทําด้วยแล้วก็ต้องส่งต่อด้วยต้องมีทั้งคู่ไม่ใช่ให้เลือกนะไม่ใช่ว่าฉันทําแต่ฉันไม่ส่งต่อหรือฉันส่งต่อแต่ฉันไม่ทํามันไม่ใช่สิ่งที่ให้เลือกมันต้องทําทั้งคู่ถ้าจะพูดถึงกลุ่มที่เลวร้ายที่สุดก็คือไม่รับฟังอันนี้คือไม่มีทางจะเข้าใจไม่มีทางจะทําถูกแล้วไม่มีทางจะส่งต่อแปลว่าแค่ไม่รับฟังอันเดียวไม่มีทางไปต่อละ อีกสามอย่างไม่มีทางทําได้ถ้าไม่รับฟังถ้ารับฟังแล้วเนี่ยในสามอย่างอาจจะทําได้หนึ่งอย่างอาจจะทําได้สองอย่างหรืออจะทําได้สามอย่างถูกไหมครับถ้ารับฟังแล้วาอาจจะเข้าใจอาจจะทําได้แล้วก็อาจจะส่งตอบแต่ถ้าไม่เริ่มจากการรับฟังไม่มีไม่มีไม่มีทางที่จะมีความดีงามเกิดขึ้นท่านอับดุลเบี๊ยมุสลิมสลดำก็ได้เปรียบเทียบมุสลิมไว้นะครับเปรียบเทียบผู้ฟังไว้เนี่ย หลายประเภทเช่นเดียวกันนเรื่องของมาบุคายและมุสลิมนะครับท่านอะบูมุซาอัชชารีนะ่ท่านนาบีมฮัมมัดลออมาสัาสลมามะบะาเซอัลลอฮูบิญิมลหูลาบลกมิไท่านนาบีมอฮัมมัดุลต์อกเปรียบเทียบสิ่งที่อัลลอ์ให้ฉันมาอัลลอ์ให้อะไรท่านนาบีครับให้ทางนำให้อสหิสลามให้แสงสว่างให้เราเข้าใจให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดท่านนาบีบอกว่าเปรียบเทียบสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งมาให้กับชันเพื่อให้ส่ง คุรานอิสลามเหมือนกับฝนฝนไปทุกที่ฝนลงไปทุกที่พวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับดินท่านนบีเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับดินเราอุมมะของท่านนบีหรือเหมือนคนไหนก็ตามนะ่เหมือนกับดินท่านบบบานบีบอกว่าไงครับอซบอัดินฟะเจนัดมินฮาตออิฟะตอยยบะกอบิมฟอัมบตตอัลกลบอุชกาซีรท่านนบีบอกว่าบางส่วนนะก็เป็นกลุ่มคนที่ดี พร้อมที่จะรับน้ํารับไหมรับน้ําได้เปี้ยวจากน้ำไหมได้เปี้ยวจากน้ําแล้วก็ทําให้เกิดพืชผลออกมาจากดินนั้นอีกต่างหากพืชพันธุ์ที่มากมายนี่คือกลุ่มแรกสุภาโรที่ท่านอบีเปรียบไว้วากานีมินฮาอีกกลุ่มหนึ่งครับอาร์ดิบูอัมซัคตินม้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นดินที่ว่าพร้อมที่จะอุ้มน้ําอุ้มน้ําไว้นะคืออุ้มน้ําไว้ ไม่ได้ยังประโยชน์เหมือนกับกลุ่มแรกคือไม่ได้ออกมาเป็นต้นไม้ไม่ได้อะไรแต่ว่ามีผู้คนมาได้ประโยชน์จากเขามีผู้คนมาดื่มน้ำจากแหล่งน้ำของเขามีสิงสาราสัตว์มาดื่มน้ำเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปเพาะปลูกที่อื่นต่อไม่ได้ปลูกตรง น, นั้นแต่ไปปลูกที่อื่นอันนี้กลุ่มที่สองวาซาบะตออุตุนมะนัอขครออินนมาฮยะกานอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนกับทราย น้ำเน่ยไม่รับอยู่แล้วมีทางนํามาไม่แบกรับเลยไม่มีอะไรงอกเหนื่อยมาได้ท่านรบีมัทสันนำเปรียบเทียบกับใครครับท่านระบีบอกกลุ่มแรกเนี่ยก็เหมือนกับคนที่เข้าใจศาสนาแล้วได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาเข้าใจแล้วเขาก็ยังประโยชน์กับผู้อื่นต่อมีสัจธรรมมาใช่ไหมอันนี้คือกลุ่มแรกที่เราพูดกันรับฟังสัจธรรมได้ประโยชน์จากมีความเข้าใจในสัจธรรม ได้ประโยชน์จากสัจธรรมส่งต่อให้คนอื่นได้ประโยชน์ต่ออันนี้คือสี่ความดีงามอยู่ในคนคนเดียวอันนี้คือดีที่สุดที่ท่านบีวัตสระสล บ, บอกไว้ส่วนกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองเหมือนใครครับเหมือนที่ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจได้น้ําอย่างน้อยก็คือเขารับฟังแล้วท่องจําแล้วตัวเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่เขายังประโยชน์ให้คนอื่นเข้าใจได้อยู่ ก, กลุ่มสุดท้ายครับว่า ม, มัศลุมลัมยัครฟะบิดาในการอซันวะลัมยักบัลฮุดลลออัลอลออุลซินตุบิฮีแน่นอนครับกลุ่มที่ไม่รับอะไรเลยเนี่ยก็ชัดเจนครับว่าก็เหมือนกับกลุ่มคนที่เป็นดินทรานั่นแหละตัวเองไม่รับอะไรเลยแล้วไม่ยังประโยชน์อะไรให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ย่งประโยชน์อะไรให้กับผู้อื่นอันนี้คือเลวร้ายที่สุดพี่น้องอยู่กลุ่มไหนหรือจะเลือกอยู่กลุ่มไหนเราเป็นผู้ที่เลือกนะพี่น้องเรา เป็นผู้ที่เลือกทางเดินของตัวเราเองแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบกับทางเลือกของเรากลับมาที่ประเด็นสำคัญการเตือนการรับฟังการตักเตือนผู้ที่ออกห่างจากการตักเตือนพี่น้องคุยกันตรงๆในสังคมปัจจุบันบางคนเนี่ยแต่งชุดดีๆแต่งชุดแบบแสดงถึงความล่ำรวยของตนเองหรือแสดงถึงความเป็นผู้รู้ของตัวเอง แต่ถึงเวลาปุ๊บไม่รับฟังการตักเตือนถ้าพี่น้องเจอคนประเภทนี้เราะวังให้ดีเพราะขนาดตัวเขาเองอยากไม่รับฟังอย่างที่เราบอกเมื่อเขาไม่รับฟังเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเข้าใจเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทําถูกเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสอนสิ่งที่ถูกต้องถ้าพี่น้องจะดูผู้รู้พี่น้องดูอันนี้ก่อนเลยเขาเป็นคนที่รับฟังสัจธรรมไหมสัจธรรมต้อเป็นสัจธรรมจริงๆนะต้องมีการนําเสนอรูปแบบที่ถูกต้องจริงๆ แต่ถ้าพี่น้องเจอเขาไม่รับอย่างเด็ดขาดเลยอันนี้ต้องเตือนตัวเองนะไม่ได้เอาไปประจานไม่ใช่เอาไปด่าว่าแต่ใช้ในการเลือกเฟ้นเวลาที่เรา อ, อยากรยะรู้สึกว่าเลยเนี่ยมันมั น, ม, นมันวุ่นวายเป็นหมืสังคมมันเละเทะไปปนเหมือนกับที่ท่านนบีมุสลิมส์นะบอกไว้ว่ามันจะเละเทะแล้วมันจะเละยิ่งกว่านี้อีกเวลาตรวจสอบพี่น้องจะได้ไม่ไปหลงไหลกับรูปลักษณ์หน้าตาคําพูดบางทีพูดหวานอย่างบางทีบางคนก็บอกว่าผมอาจจะพูดเสียงดีเสียงหวานเสียงอะไรมันไม่เกี่ยวพี่น้อง คนพูดหวานเป็นโมนาฟิกเยอะแยะหรือรูปลักษณ์ดีๆทำตัวให้ดูหล่อเหลาทำตัวให้ดูเนี้ยบเวลาพูดเนี่ยแทบจะร้องไห้แต่พฤติกรรมนี่สวนทางพอมีคนเตือนปุ๊บไม่รับเลยคนประเทศนี้ระวังประการแรกระวังอย่าให้เราเป็นประการที่สองระวังอย่าไปคุกคีอย่าไปรับฟังความรู้จากเขามันอันตรายกับตัวเรามันอันตรายกับตัวเราเพราะอะไรครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดมันมีแต่ความชั่วร้ายเต็มตัวเขาไปหมดแล้วเป็นไปเป็นไปได้ไหมที่เขาจะช่วยให้คนอื่นได้ดีมันเป็นไ ป, น ป, น ป, นปนไม่ได้ถูกไหมครับผมเช่นเดียวกันกับตัวเราครับถ้าเกิดเราเลือกเนี่ยที่จะพบค้าสมาัครกมมาคุยบอกอาจารย์เนี่ยฉันมีแต่คนไม่ดีเต็มไปหมดจะได้ทำยังไงพี่น้องอันนี้อันตรายนะถ้าเราอยู่กับกลุ่มที่ทั้งกลุ่มเนี่ยไม่เคยคิดจะเตือนเราเลยดีๆเนี่ยอันตรายแล้วอันตรายสุดๆ พี่น้องบางคนบอกงั้นฉันจะทําไงแต่บางทีฉันเลือกไม่ได้บางทีที่ทํางานฉันจะมีแต่กลุ่มคนที่พูดแต่เรื่องไม่ดีวิธีง่ายที่สุดนะถ้าพี่น้องอยากจะรอดจากกลุ่มนี้นะพี่น้องเตือนเขาให้มากๆเลยเตือนมากๆเลยเตือนแบบมีไม่ยากเตือนแบบดีๆแต่พี่น้องเตือนไปเลยเพราพอรอดรับรองว่าในคุณรานแล้วรอดแน่ยังไงครับถ้าพี่น้องเตือนถ้าเขาเป็นกลุ่มที่ชั่วสุดๆไม่มีทางได้ดีเขาถิ้งพี่น้องเปเี่ยนแหละเขาไม่มาวอร์เวล บางคนเลยมาบอกมากกอกแก่คนนี้มาถึงเวลามีแต่ขอคนนี้มีแต่มาอย่างงั้น as, มีแต่ไม่อย่างนี้เตือนเขาเยอะๆเลยเตือนเยอะๆไปเลยพี่น้องถ้าอยากให้รอดพ้นจากคนที่ช่วพี่น้องเตือนให้เยอะๆเลยเพราะอะไรครับถึงเวลาปุ๊บถ้าเขารับฟังเขาจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าเขาไม่รับฟังถึงเวลาเ้าหนีพี่น้องไปเองแหละเราเตือนแบบเอาให้จังหนักเอาให้หนักๆเอาให้ตรงประเด็นเลยตัวนี้ระวังหน่อยนะถึงตัวนี้จะไม่มีนะฉันรักนนะฉันเป็นห่วงคุณนะเตือนเขาเลยถึงเวลาคนไม่ยินมันออกไปเองแหละพี่น้อง เพระเาะเรากล่าวไว้ไงครับว่าวายาเตจันนบุรุษกอคนชั่วๆมันจะหนีไปเองแหละถ้าพูดดีเขาจะหนีเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกิงใจในการพูดความดีบางคนกิ่งใจบางคนจะขอตัวไปละหมาดไม่ได้เพื่อนมันกำลังจะชวนไปทําฮาลอมกําลังนินทาอยู่ถ้าพี่น้องอยากจะรอดพ้นจากกลุ่มคนชั่วๆถ้าพี่น้องไม่อยากเป็นคนชั่วนะอยากรอดพ้นจากกลุ่มคนชั่วๆเตือนให้เยอะๆเตือนแบบดีๆเตือนแบบมารียกอิสลามเนี่แหละเตือนไปเลยเตือนไปเยอะๆเลย ถ้าเอาลอสจะให้เขาได้ดีอินชาอัลลอฮ์เขาจะได้ดีด้วยการเตือนของพี่น้องแต่ถ้าพวกลอสไม่ให้เขาได้ดีคือเขาไม่มีทางได้ดีอยู่แล้วเขาเลือกที่เป็นคนช่วยตลอดเขาจะหนีจากพี่น้องไปเองลองดูอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องลองมาไปทําดูผมว่ามันช่วยพี่น้องได้แน่เพราะพวกลอสบอกไปเองครับว่าวายต์จันดัลอชกคนช่วยๆมันจะหนีไปเองแหละบ้านไปเขาไปเจออะไรก็เรื่องของเขาเพราะอะไรครับพี่น้องพเพราะว่าเก่าในกลุน่น ที่ผมพูดเรื่องการไม่รับฟังคําเตือนเนี่ยพี่น้องพู้เราอธิบายไว้ในกุรานชัดเจนน่ากลัวกว่าอยายันนี้อีกเพราะอย่างนี้บอกคําเดียวถ้าคนไม่เก็ตก็อาจจะไม่เจ็ตวิญญาณจะนำไปลอับบกอคนชัวน่วจะออกห่างคนที่จะลงไฟนรกอันเนี้ฟังเราก็กลัวแล้วนะเราเขา้าใจระดับหนึ่งแล้วแต่อีกอายะอีกที่รู้พว้เราอธิบายละเอียดเลยกเราตสุบหานตราก่าวว่าไงครับผมมาซาลากากรุฟีสะกอร์สราบุดัสเซตพี่น้องหลายท่านท่องได้ قالوا لم نكن من ا ل م س ل ي ن ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مل ق ا ئ د ي ن وكنا نكتب بيميتين و حتى أتانا اليكين فما تنفعهم الشفاعة فما ت ف ع ه شفاعة الشافعين وما لهم أن التذكرة مؤردين كأنهم حمر م س ت ن ف ر ة ف ر ل من قصبة بل يريد كل م م ن ه م أن يؤتاه فمنشرا คือบัลลัยขาฟุน เ, นเนนล่าคือนีวะวะอ่นี่นี่นี่นี่มี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่อี่นี่นี่นี่นีอนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นีพูดถึงกนี่ลลนี่ น, น, นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ เมื่อสลกับกรุงฟีสกอตจะมีการถามเขาว่าอะไรล่ะเป็นเหตุให้พวกคุณเนี่ยต้องมาอยู่ในสกอตนี้ขุ่มนรกนี้ชาวนรกอันนี้คือชาวนรกขอดโดยจากพระราษตราย่าให้เราเป็นกลุ่มคนที่ต้องพูดประโยคของชาวนรกขอให้เราลอดพ้นจากไฟนรกขอให้เราได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องผ่านการลงโทษเพื่อจะได้รับประสบหรือเล่นไฟนรกอาเมนครับพี่น้อง เขากล่าวว่าไงครับก็ลูรัมนะคุมิเรมซาลินก็เพราะเราไม่ใช่คนที่ละมาถึงเวลาเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนละมาเวลานะคุตอิมุลมิสกีนเราก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนให้ทารคนยากจนว่าคุณเนนนะคูดูมาคอยดินถึงเวลาเราก็ย่อเ ย, อเยอ้ยถากฐานไปอยู่กับคนที่มันชอบ ถ, กถักฐางชอบนินทาชอบใส่ร้ายชอบว่าหลายคนอื่นต่อให้เป็นเรื่องศาสนาแล้วก็ถักถักฐางไปเรื่อยเฟรเนยังไงต่อครับฮัต ว่ากุญยาลูกัสซิบูเบลมิดีนแล้วเราก็ปฏิเสธในวันซินโลเพราะพฤติกรรมแนี้คือปฏิเสธไงคนที่เชื่อในวันซินโลกเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมในอดีสตสองรบีใครก็ตามศรัทธาต่อร้อนในวันซินโลกเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างนี้อันนี้ไงปฏิเสธเนี่ยแปลว่าไงครับไม่ละหมาดไงถ้าเชื่อเขาจะละหมาดเมื่อไหร่ที่เราไม่ละหมาดแปลว่าเราไม่เชื่อมีวันซินโลกนะพี่น้องเนี่ย ยังไงเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ได้แล้วมาเราไม่ได้ให้หารคนจนเรามัวแต่ไปเยาะเย้ยถักถางชาวบ้านเขาไปเหน็บแนมเขาแล้วเราก็ปฏิเสธ ต, ต่อวันสิ้นโลกเพราะถ้าเรามีปฏิเสธเราคงไม่ทําที่ว่ามาหรอกฮัตตาอัตาเนียกีนจนกระทั่งสัจธรรมหรือว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันได้มาหาเราจนกระทั่งสัจธรรมแล้วความเชื่อมัน่นมันได้มาหาเราฮัตตาอัตาเนียกีน ไปรเรียนอยู่ตรงไหนพี่น้องรู้ไหมฟาเมเตอร์ฟาอุมชาฟะจุชาฟีนคนประเภทเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์จากชฟาฟะเลยน่ากลัวไหมล่ะเข้าไปในไ ฟ, ฟนรกโดยที่ใครจะช่วยก็ช่วยไม่ได้นบีจะช่วยก็จะขอให้เราล้อหันใจก็ช่วยไม่ได้ฟามและฮุมอานิตตอรกียรติโมอรดีแล้วอะไรกันเล่านะที่ว่าเมื่อมีการตักเตือนเนี่ยพวกเขาออกห่างนี่ไง ดินยามีการเตือนไม่มีการเตือนแต่ไม่รับฟังไงพี่น้องเป็นเหตุจากทั้งหมดที่ว่ามาเขาบอกไงครับอะไรจะเล่าที่พวกเ่าเก่าในกราะที่เขาออกห่างพินออกห่างเวลามีการเตือนเนี่ยกนนารอันาฮุมฮมรุ ม, มุสเซอรเฟร์เหมือนกับลาที่แบบว่าตื่นตาโหนกับพี่น้องบ้านเราจะไม่เคยคุ้นเคยกับลาเท่าไหร่นะแต่ว่าลาน่ยแบบ ถึงเวลามันกลัวมันตื่นตระหนกมันวิ่งตะลืบมันไม่สนอะไรเลยจริงๆนะพี่น้องยิ่งกว่าแมวยิ่งกว่าสุนัขย่างนะเพราะว่าบอกนไงครับเขาเนี่ยหนีการตักเตือนเนี่ยเหมือนกับลาที่ตะที่แบบว่ากระเจอเนี่ยวอตต์รัอดมินกัสวร์ที่ว่าหนีจากสิงโตที่กลุงจะล่ามันหนีจากราชสีเจอสิงโตนี่คือสิงโตบางทีแค่นั่งเฉยๆเนี่ยเพลแล้วเหมือนกับคนประเภทเนี่ยที่ไม่รับฟังการเตือนบางทีแค่เห็นคนที่ชอบเตือนเดินมานี่เพลนแล้วเฮ้ยรีไปก่อนดีกว่าวงแตก เดี๋ยว้นี่มาเดี๋ยวมันจะชวนไปละหมาดเดี๋ยวมันจะชวนทความดีเดี๋ยวมันจะชวนเรียนเดี๋ยวมันจะชวนทาสิเกตต่อรอเดี๋ยวมวนันจะชวนอะไรดีดีเพ่นดีกว่าฟัสมินคอสวาะอเลาบายแบบสบายแลพี่น้องยกงามเห็นภาพเลยลาแบบกระเจิงหนีหัวสุกหัวซุนเวลาเห็นสิงโตแกรนนหมฮมมุสตัมเรัสมินอสวาะผมก็ไบอกไง่พี่น้องอยู่ต้องจาเป็นต้องคบค้าอยู่กับกลุ่มคนชั่วๆแล้วมันมาก่อแกะพี่น้องเยอะๆเนี่ยเตือนเยอะๆเลย ตือนไปเลยตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกเลยพี่น้องก็จะได้สองอย่างแหละอย่างแรกได้กลุ่มคนที่ดีไม่งั้นก็กลุ่มเนี่ยมันก็จะเพ่นหนีไปจากพี่น้องเองเพราะคนช่วยเนีนเขาไม่ชอบรับฟังสันธรรมหรอกพี่น้องบันอยู่นีดุกุลุมรีมินหุมอายุตัสูฟามุนัสโระกัลเล่บัลเยยคาฟุนอาเครอคือพวกเนี่ยบอกงี้มาเถอะการทดสอบชันผ่านอยู่แล้วฉันมิยวิถีนในโลกเนี่ยหวดกันไม่กลัวโลกหน้าเลย พวกเบอกครับการรายงานตสเกอร์มันเป็นการเตือนพวกเราพูดใช่ไหมกลุ่มเนี่ยมันไม่เตือนแล้วแต่เนี่ยพวกเราเอาเรื่องของคนที่ไม่ฟังการเตือนมาเตือนพวกเก่าแล้วที่อยู่กลุ่มไหนล่ะกลุ่มแล้วฟังหรือจะไปอยู่กลุ่มนั้นพวกเราบอกที่มาที่ไปเรียบร้อยกวมันแชร์อันนก็เราพวก เ, ก พ, วกเพูดเลยบอกว่าอ่ะใครที่อยากจะรับฟังใครอยากได้ประโยชน์ก็เอาประโยชน์ไปคือพวกเราไม่จําเป็นต้องงอ้อเราคือแค่เนี่ยพวกเรา ทุ่มเทความเมตตาเกินจินตนาการแล้วเนี่ยคือจริงๆยิ่งกว่าง้ยยิ่งกว่าตื่อเพราะเราอยากใหเป็นคนดีมากๆผลสุดท้ายพวกเราบอกบอกทั้งหมดทำทุกอย่างที่ทําคือแทบจะเอามือจับมาเขียนปากกาในข้อสอบเรียบร้อยแล้วคือถ้าเปรียบเทียบเป็นครูนะเหมือนกับครูฝ้านักเรียนทำข้อสอบครูบอกข้อสอบเรียบร้อยบอกคําตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนนั่งปุ๊บครูเอามือเนี่ยมาจับมือนักเรียนเขียนคําตอบแต่นักเรียนปัดมือครูอย่างเนี้ย เพราะพเพื่อว่าพร้อมที่จะกําหนดให้เราเป็นคนดีขอแค่เราเปิดใจแต่ว่ามาเยสกุรู้อิละเยชาอลร้อนนั่นแหละครับคนที่จะมีสติได้เนี่ยก็ต้องด้วยกับบุคคลที่พื่อวลาจะให้เขาได้ดีต้องทําตัวให้คู่ควรกับการเป็นคนดีพเพื่อว่าถึงให้เขาคิดได้เพื่ออาหลุตั๊กวาว่าอาหาลุดลักเพืาะพื่อเป็นผู้ที่ต้องได้รับการเก่งกลัวการสรรเสริญแล้วก็เป็นผู้ที่ ต้องมีการขอไปโทษแล้วพกเป็นผู้ที่ให้อภัยโทษเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักเราเลือกอยู่ในกลุ่มไหนกันดีเราทุกคนผมกับพี่น้องเราจะเลือกอยู่ในกลุ่มไหนกันดีวอรอะกิตอินนาฟาติซิกรอไซยะักกัลุมัยยักชาคนที่กวนละแล้วพิไดหรือและให้ควนหรือเราจะไปอยู่เป็นกลุ่มคนที่ชั่ว้ช ที่พอเจอการเตือนปุ๊บเพนกระเจิงแล้วผลสุดท้ายสิ่งที่รอพวกเขาเหล่านั้นอยู่ก็คือการลงโทษที่ทรมานเกินจินตนาการครับผมทางเลือกเป็นของเราฮิดายะอยู่ที่อัลลอฮ์ทางเลือกอยู่ที่เราเราจะเลือกอะไรเราต้องรับผิดชอบมันในวันเกียรมะไม่ว่าพี่น้องจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเช่นเดียวกับผมครับผม ซาบาะกุลลอฟีค่คุณครับคุณวินิจัยกำลังใจมาขอบคุณมากครับคุณสวัยนะครับสละมาอัลกุลสลามอัลลอฮุบาราลกัตตูอยู่ครบเลยนะครับมาชาลาลครับผมคุณฮัสนีนะครับสุกเกษบอกใช่คนที่เราเตือนเขาเขาไม่รับคำเตือนเขาก็ห่างเราไปเองแปลว่าโดนกับตัวมาแล้วนะครับถ้าพูดแบบนี้มาเป็นอย่างนี้นจริงๆพี่นะ้องเป็นอย่างงี้จริงเพราะนั้นก็อย่าลืมครับไม่ว่าเราจะรักใครมากแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถบังคับยัดเ ย, ย็ดอิสลามให้กับเขาได้เหมือนกับที่ แค่ตัวเราเองอะ่ะบางทีเราจะยัดเยียดอิสลามให้กับเราอย่างยากเลยบางทีเราเหนื่อยบางทีเราไม่อยา ก, กละหมาดบางทีเรามีขี้เกียจเอาตัวเองเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ต้องเตือนผู้อื่นแต่ที่เตือนผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าเขาจะต้องรับคือขอให้เราได้มีโอกาสได้ทําได้แสดงความรักที่มีต่อเราได้แสดงความรักที่มีต่อเขาแล้วถึงเวลาเราก็เลือกของเราเขาก็เลือกของเราครับ ขอพระลอสุภาตานําทางเราให้มีความเมตตากับพวกเราตลอดไปยกโทษให้แก่พวกเราในสิ่งที่เราพังเผยในสิ่งที่เราไม่รู้ในสิ่งที่เราดันทุลังขอพระลอสแตกตลงเราในสิ่งที่เราลงลืมขอพระลอสกุรานะเป็นทางนําเป็นแกว้วตาเป็นดวงใจให้แก่เราเป็นรัศมีเป็นสิ่งที่ใความช่วเหลือแก่เราทั้งในหลุมของศพแล้วก็ในช่วงของวันเกียรติขอพลระลอสุภาตาให้เรานั้นเป็นกลุ่มชนที่ได้รับประโยชน์จากชฝาของท่านบีมูฮัมมัดสุลต่านหุอะลัยฮุสเซลัมบุคคลที่พระลอสานั้นรักมากที่สุด เช่นเดียวกับอัครส า, าวกของท่านนบีซึ่งเป็นบรรดาซอบะขอผู้ล้อนั้นพอพระไถ่พวกเขาขอผู้ล้อเมตตาพวกเขาเช่นเดียวกับอาลุนเบตครอบครัวของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตานฮุยสุดามนั้นขอผู้ล้อนั้นเมตายกพระไทยพวกเขาแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นได้อยู่ร่วมกับบรรดาคนที่ดีๆเหมือนกับที่พวกเขาเหล่านั้น อยากที่อยู่กับพคกพวกเรานั้นก็อยากจะอยู่กับพวกลอสมาตาลาแล้วก็อยากอยู่กับคนกรุงคที่ดีๆต่อให้ความดีงามของเรานั้นไม่คู่ควรกับส่วนชั้นสูงที่สุดแต่ยาวเลาะเราขอโลกมากแล้วขอมีความปฎถนาสูงสุดเพราะพวกนั้นคือผู้ที่ให้โดยที่ไม่กลัวที่จะหมดเราปฎถนาลอขอต่อร้อยรานได้ส่วนชั้นสุดแล้ชั้นสูงสุดให้เรานั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านอับดุลโมฮัมหมัดสลนสนาบุคคนที่เรารักในส่ว น, วนรรค์นี้เถิดอาหมีครับ أ <ت ص في> ق و ل ุณาข้าวิหารัสัก ل ุล ل อฮ ل นิบรั س ا ل م ริ م ัทมุสลิมี ا ์อิน و ุณเดมัสักฟิลูอินหัวคัฟฟูรินสุมาร์ ل ุลลามะอุฮัมดิกะอัล م าดุลลอฮ์อัลลอฮ์น